คำอนุโมทนาหนังสือประมวลธรรมเทศนาของหลวงพ่อปราโมทปราโมทโชเล่มนี้เกิดจากความอุตสาหะของอาจารย์สุรพลสายพา น, นิช์แห่งบริษัทโปรเกรสเทคโนโลยีคอนซัลแทนซ์จำกัดวงเล็บ Progress เทคโน c o n ีคอนซัลแทนซ์คอมพานีลิมวงเล็บปิดและครอบครัวที่ได้รวบรวมและเรียบเรียงจัดหมวดหมู่ธรรมเทศนาที่อาตมาภาพได้แสดงไว้ จากแผ่นซีดีธรรมเทศนาที่คุณโยธินพรมดีกับเพื่อนช่วยกันจัดทาเผยแพร่ไว้กว่า40แผ่นเริ่มตั้งแต่ธรรมเทศนาที่สวนโพธิยานอรั ญ, ญาวาสีจังหวัดกาญจนบุรีเมื่อ6เมษายน2545เป็นต้นมาจนถึงธรรมเทศนาที่สวนสันติธรรมอำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีแผ่นที่23 และธรรมเทศนาณสาราลุงชินอีกยี่สิบกว่าครั้งอาตมาภาพเห็นประโยชน์ของหนังสือเล่มนี้จึงขอนำมาจัดพิมพ์เพื่อแจกเป็นธรรมบรรญการแก่ผู้สนใจซึ่งอาจารย์สุรพลได้อนุญาตทั้งยังได้ร่วมกับครอบครัวและสิทธิของอาจารย์สุรพลอีกบางท่านเช่นคุณตงและคุณสืบศักช่วยกันตรวจทานต้นฉบับอีกครั้งหนึ่งพร้อมทั้งบริจาคเงินสนับสนุนการจัดพิมพ์อีกสี่แสนบาท อาตมาภาพขออนโมทนาในกุศลกรรมทุกประการของอาจารย์สุรพลและคณะวายนทที่นี้ด้วยเนื้อหาของหนังสือเล่มนี้ประกอบด้วยหนึ่งหัวข้อธรรมที่จําเป็นต้องรู้สองเรื่องที่ต้องเรียนก่อนการปฏิบัติธรรมสมวิธีการปฏิบัติธรรมสี่ความเข้าใจในการปฏิบัติธรรมและห้าธรรมที่ควรพิจารณาอาตมาภาพต้องสารภาพว่า หนังสือเล่มนี้มีขนาดใหญ่กว่าที่คิดไว้มากหากอัตมาภาพจะอ่านทบทวนและสอบทานให้อีกครั้งหนึ่งก็คงต้องใช้เวลาอีกหลายปีกว่าจะจัดพิมพ์ได้แต่ญาติโยมหลายฝ่ายประสงค์จะให้พิมพ์หนังสือเล่มนี้ออกมาโดยเร็วดังนั้นหากหนังสือเล่มนี้จะมีความบกพร่องบ้างก็ต้องถือว่าเป็นความผิดของอัตมาภาพเองเพราะอาจารย์สุรพลและคณะ ได้ตั้งใจทำอย่างดีที่สุดแล้วภายใต้เวลาที่จำกัดอย่างไรก็ตามอาตมาภาพต้องขอขอบคุณทีมงานของสำนักพิมพ์ธรรมดาที่ได้ช่วยตรวจทานปรับแก้ถ้อยคำให้กระชับรัดกุ่มยิ่งขึ้นด้วยพระ ป, าปราโมทปราโมทโชสวนสันติธรรมสีราชา20สิสิงหาคม2551เ